มัน สาทางเป็นไปบ้างเกตดใจเราควรจะทาอะไรเราตจาควรจะคิดอะไรหลักที่หน่อยจทำอยูจิจเราไม่คิดตข้งไปเรื่เงจยาอดีนมาแล้ก็ยังไม่ถือจริงตั้งสิ่งั้งใจเรื่องพกันจิตันจตย่า้วลเราตั้า จิต ใ, ใจใจเขียวใจในอารมณ์สัมยาต่างักสงบจิ ต, ตใจทั้งตัวอยู่จะคล่อนแน่ด <c oughs> ังนั้นลาย้าสละอเราเูกต่างอแล้วเข้มงวดกับเราต่างพาสละเอาไว้ฝนตกลงมาจากทอง้าไม่ <c oughs> ก่อนนะขัะงอยู่ในพาสละของเราที่ต้ควรจะขัะงรักที่าสล ะ, ะของเรา ต้องใจเท่าไรแล้วก็มาเหมืนมาแ่งขาขาสละเท่าไรมีคนอะ a รอย่ในนั o นแต่แข็ ง, งเล็นกน้ำผลจะตึงหลักแขนใหญ่แล้วเวลาสล้าเราพอเหมือนขาดไปมันก็แห้งไปกร ต, ต, นนนน ต, กปตั้งใจงตั้ ง, งอัตจังทันคุณจากอะไรก็พยายามโยกันนั้นต่ n จิตไว้สละวา e จอะไรเตาโซโลตัลน o ต ก็าไปไปเปล่ารู้หลแหวนหลายมือหลายกับโถนอีกทปดหมื่นสี่พันก็ทำาขันพวเราท่านสามารถที่จะเจ็บตังนำมาที่ไม่ที่ใจเราให้เกี่ถอแต่ทําแล้วเป็นห้กันกับยาหรืออาหารยาแล้วรูไ้าประเทศอกเพราะโรคองคนเรานีหลายอย่างยังเป็นจะต้องปรงขึ้นหลายระเทศ เคยจะแก้ไขโรคหายไรบุคคลที่เป็นโรคอะไรหาไปอาหารจะเมินกันวิถาจะพูดแล้วแต่จนชอบทานอะไรจะดีครับจัดหาดนรับทานกันทุกคนหรือจำเป็นถึงจะไปซื้อยาเลยท้องตลาดเลยงานของยาทั้งหมด เราเป็นโรคอะไรไปนั่าอะร้วเรารับทานเพื่อแก้ไขโรคภัยอาหารเรอาหารตัวนี้กันเอไปซื D ้อเอาหมดในคาตาคาอาหารอะไรที่เราชอบถูกกับปากทางของเราแล้วก็ซือเอาียรับทานความอิ่มหนึ <S <S ่้นัจะเกิดขึ้นเมทอาหารนะยา ปลอดภัยทีนี้เูยดัวขเราตัวอ่ดหนาวหนักลดน้ำอย่างนี้หาตัวได้ทำเราโยกันแต่การความสัมพันธ์พ่อแม่ใจจริงมาเพราะจะบิดเบิกใสทั้งคนนั่นแหละถึงจะเหวียงวานาจิตตังอิกใจเหนืรอยกันแต่ถึงอย่างไรกดตามทุกคนที่เกิดมาจากแถบความสุขความสบาย ควสุกความสบายแล้วในแรจะเป็นรักหวกหรือคาราว่าจะเป็นขาดชั้นรันแรกแล้วจ่าตาเต้าตาความสุกความสบาและวิธีที่จะทำให้ตัวของตัวสุขสบายแล้วเาจะทำอย่างไรปกติของคนที่สุดโต้ เป็นตัวการขั้นขัที่จะทาให้พวกเราท่าเดียดร้อนเงินยาถ้าติดกายอย่ลใครอะไรเดือดยินใจใจสิ่งเปลี่ยนไปตามคนยารีโนกง้าหน้าส่จะทาจิตใจให้เดืร้เงินยาขาดข้อ่อเกียดตัวเองรัามสงบเดือเยนเ่ควรเราจะต้องสงบจิตใจทห้เรา ให้ okay. ้ว่าอารมณ์สัญญาส่วนนี้เคยก่อวนจิตใจมาเคเดอดด้นไ่พิจารณานะเจรละระยะยาวละก็เลยอีอะไรที่จะทาจิตใจให้สงบผ่อนผันได้จิตไทยอะไรจะยิงยืนยาเดือดร้อนเมื่อเป็นอย่างนั้นควรทุนเถื่อนทุนไทเข้ามา เาากำหนดใจอยู่ในปัจจุบันเราจะกำหนดหทุดพิจารณาหยุดพิจารณาหยุดจินตนาหยุดใจจันทหยุดเถ่อไปเกี่ยวข้องจะสัญญาอะไรกับเกิดขึ้นหรือ่ามาต่างแล้วที่จะแล้วต่าแล้วกำหนดหดพิรณอยู่หยุดกอดสัมผัสกับพิจารณอยู่ฉันคิดนั่งข่านั่งข่าวจรวมเลย เหรอเห็นใเปลียอะไรเอหยุดเย็นนั้นปกติธรรมนนดาคนจะลภาวนาราเศึกษาเราเคยอบรมทางปฏิบัติเราเคเห็นเคยสักต่ามันสุกมันเย็นเยังเปรตมีเศษขนาดหญ่เศ้ควรจ หนึ่งเราได้ร er, ja. er, er, er, er, er ับถูกมาสาหาความสุขทะเลากนาสาเรื่องของจิตใจของตัวเองต่ก็หมดสดงให้ได้อันนั้นมันอยากอันห่มันเหมือนอย่เมียนอให้ิตใจหาต่ออะไรทะลากมันเป็นอย่างนั้นเมนมาปฏิบัต อัดทำถือพระพุทธเจ้าสอนไต่แกเดินด้จัมยิ่งต่แรกกหนดสิ่งอดสิ่งหนสิ่งเป็นแบบขอจิตใจเราสัผัสอยู่น้นเย็นโยงใจปล่อยาจปั้นาเรนต่างๆว่าจิตเย็นจิตบายเราเคยเห็นเคยเจอแต่ไรอะไรมาเึเห็นเยเจอสิ่งในระยะที่เราทำอยู่นล้น ใ้าเราจะเกิดความเชื่ อ, อ น, นั่นความฝึกอันีลใรในโลกคือได้ไปพปิบัตินี้โลโลจะเห็นจะมีนทางเข้าขายนแน่าตาจองขนาดนก็ไม่เห็นหนรือู้เพาะนมดีขายกันในทีต่ต่างในท้อตลาดนอกจากผู้ปพิสูจปฏิบัติแล้วนั้นจรู้จะเห็ น, ถ, หนถ้าทุกคนเห็น ด้วเป็นใหญ่ความตื่นเต้นด้วยความแสวงหาความสุขให้โกคงหนีไม่ได้เพราะความสุขเกินั้นจากความเป็นความเห็นในจิดในใจถี่ลงเติอแลงใาแล้วผิดกันเหนือฟ้าสับดินกายกันมากความสุขเกิดนี้เป็นความสุขที่ละเอียดอ่อนเป็นความสุขที่เหนื่อยนอนเป็นความสุขที่ คนถั่วไป่ต่อกาแต่ใช่ในห็นความเย็นเย็นอย่านี้ใช้ตัวรตาวัถุต่าหาความสุขในรูปในเสียงกลิ่นในรสไปถ้าเขาจรู้ความในการาลกิเลสข้าใจว่าจิตนี้เป็นอย่างนี้เย็นอย่างน้สบายอย่างนี้สุกอย่างนี้เหมือนเรเห็นเราเป็นอยู่ ทุกคนเท่าใจในเรื่องทุกคนจะไม่เหลาใส่สันอะไรนะาุกจะพอใจเซนใจในการฝึกปฏิบัติพอแล้วครันอยู่คไม่เห็นอย่างนั้นเขาเป็นวุ่นวุ่นหาเรื่องอื่นมาเป็นเรื่องความสุขแต่เขาเห็นเ็เป็นแล้วทุกคนจะตั้งใจชอบใจ เาความสุ่นภายในความฝุ่นที่จิตใจถอดถอนตัจากอารมณ์ปัญญายี่เหลือปัญหาเป็นความสุ่นิวยุ่งเนยื่อเหยื่อหนึ่งเห็นใน่วนในสุขการทำบำเพ็ในเชิงลักษณมันจเห็นแต่เป็นัวไปคนใส่ใจทางถานั้นจะเห็นจะเข้าใจในเรื่องของความฝุ่ทางธรรม มีความสุดทางธรรมอยู่ในจิตในใจแล้วจะมีสถานคือใดไปสถานคือใความสุกใจนั้นย่างฝึั้นตคือสุกเวลาไปก็ฝกเวลาอยู่ก็ฝกแต่มทุกอะไรที่จะมาเกียกล่ใจจิตใจเท้าตัว พอความสงบอันน so ั้นมันมีอยู่ไในจิตในใจแต่การสบแล ang, so ้วจะทาได้ก็ต้องอาศัยการสาธิตปฏิบัติถ้าไหนจะพ so ิบปฏิบัติมันก็หนีเห็นจะอ่านตำรับตำราลึกเขอาตาลึกขลาดไหยถ้าหากเราฝึกใจเรื่องความสรบสุกอย่างนั้นจะหนีเห็นหนีรู้ถ้าหาเราสึกเราจะปฏิบัติจิตใจของเราอาปติบัตต่อ ดูแลรักษาอารมณ์ปัญญาต่างๆทีู่ฝุดขึ้นหรือผ่านมาอยู่ตลาดระยะเวลามีปัญญาเลี้ยงสอนอย่ในาข่องกับอารมณ์ปัญญาต่างๆที่เกิดขึ้นตัอตาผ่านมาต่อตาจะกำลังอยู่ในแบบรู้กรรมเช่นรนี้เหนือใดจิตยงเหนือเรียนเราจะทำอย่างรนี้เดี๋ยวหลังตัวเข้าใะอยใดงนี้ นทจริงใจตจิเหงาเดือดทื่อเลาจิตใจกลงลำพัขมันจะอ่อนเปลเลยสรบไดนเบื้องต้นคือการจะเชื่อมั่นในการจะพิจารณการอัดทานถึารจะจาสเพื่อเห็นความสงบเยนในใจความสุขมันอยู่ที่อื่นมัอยู่ในใจของเราถึงนั้นเวลาเสื่อเมื่อเมื่ อกแต่ไป so ็ความฝุ่งนั้นคือเห็นความฝุ่ภายในันจึงจะหลุมเหลวกาะเี่ยวกับวัตถุกับเหลี่ยงอกถต่เหงื่อค้ามฝุ่อยู่ภายในละมันจะต้องพอใจยินดีเหล่งใสตืนใจจะที่ปฏิบัติพอจิตสงบเยื่อโลใถึงผิหภายในแั้นเลยเขี่ยขวงกับถาดกับขัน การเด็บปวดปวดเนื่อเหนื่อยหัวใต่างๆไม่ได้ทางมาลบควณจิตใจก็าจิตใจอยู่เอจกระเทศอยู่เฉพาะไม่ไดเกาะเกี่ยวกับธาตุขันห่างกายอะไรมันปล่อยกลางไปหมดทาเรียนอย่างนั้นเราจะเล่นกันสักกี่ชั่วโมงกี่วันความเหนืดอเหนื่อยหัวใจมันไม่เกิดขึ้นคือมันเหนื่อกทางไม่ได้คิดไปทางเร่องงานขนาดนั้น ถ้ามัเนี่ยถอบถองขึ้นมาเพราะถอดถอนกลืนมาจากคาเฉลียวใจยใหญ่แล้วจิตใจจึงเหลื่ยนไสจึงเย็นเย็นพอตัวเห็นตัวเองโดยเฉพาะคนอื่นไปเห็นไปวเองมันเย็นมันสงบมันสบายศรัทธาความเฉลียวใจเยินใสใหญ่จะทำอย่างนั้นมันมีในจุตในใจ เราเนี่ยจิตใจเรื่อย่างแล้นทางรับทางศาสนาที่ว่าเป็นสมาธิคือจิตใจเย็นได้เย็นสบายอย่าพิจารณาสือไปต่สื่อใจนวเดียร์ยุจิตใจเม่เราเคลื่อนติดข้องยังจะมีทางพิจารณาได้ถ้าจิตใจมีกามะควรจะพิจารณาอะไรให้ใส่ใจทัดเทน แลตัวที่ใจลาไปแล้วแกไขคือจิตใจฝังจุตนั้นให้ตกไปหมดไปหลุดไปใจเสร็เยนอกต่อสบายเนี่ยที่ใจละไปเลยหมดจิตใจเหนื่อยกับไขว่ได้อีกกำหนดให้จิตใจไ่อีกนี่คือการพักฝังจุดใจ เนืกันกับการไม่ได we right. so ้พัก so, ่อนมันเกิดในกรืยทะเลจะพักผ่อนผายเดียงานขอเราอยู่ๆอยู่มันเกิดเฉเี่ตายได้นั้นการทักผ่อนกับการทะเลาเป็นขู่กันการ่เดียวหมาธิปัญญาุนะก็ในต้อจะหาที่อื่นหุมัอยู่ที่กายวายทากายไได้ทำเชื่อวายใจไม่ไดฝูด เสียหายอะไรแต่ก็เท่าเป็นศีลอยู่แลอย่างไนะรบ้งงางเรากายที่เรากิดหรือจะทำอะไรสีลทีเราเกไดรู้สึกพอเราเะไยเดี๋ยไปทำใจเจาทีเราเราจะไ้พูดอะไรเสือเราเปศีลเป็นี่อยู่แล้ว ไ, ไ, ไววปคิดโกไปตามัญญาอารมต่า ง, างอยูบ้ว เคยทำมาหลายแล้วทำหลายแล้วทำหลายจิตใจในอยู่ปกติไม่กระเด็นเป็นสีสีแกบปกติหรือเห็นจิตใจทั้งตัวปกติจะไปติดโยเกี่ยวกับอารมณ์ที่ผ่านมาในอดีติดเรื่องใหม่ได้อสดในได้คงทุกคนเกิดมากิดแต้วนการทาเชื่อทำเสียผิดสีอยู่เป็นธรรมดา แต่ถ yeah. well, ้าหาราัาสิธิเราได้นะฮะลบไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอดีตท่ผ่านมาต่าเนี่ยอเเป็นจนันที่จริญอยูเลยเป็นจินตันนาคาอยูเลยทาอะไรได้จ้าูเลยสอะไรเม่อะไรทจะเสียหาดางไส้หรือทลุหักหินเหยียเหยีและกั ทำรกรรมหรือกำหนดผู้ที่เจอนะทำส่วนใดส่วนหนึ่งให้จุตเคร่งรงเหี 10, ่ยเป็นสมาธิให้ตายหนึ 10, ่งทันลด้ารจิตเตะโยงเกี 11, ่ยวกับอารสัญญาที่ผ่านนะมันจะไดนีทางที่จะเหวี่ยงระับให้จิตได้เหว่ยงระงับจิตได้มีสัญญาทาสมาธิปัญญาที่จะที่จะสื่อใส่ให้ขาด ออกไปจากจิตจาใจสึ่ทางภาษาพระอยู่แที่เหลือปัญหาแล้วนั่นก็เป็นทาอีกเหมือนกันจะที่ยงนาได้หรือเป็นสัญญาในร้านสุจริจะถอนคนเหลืองเขาที่เหลือปัญหาหน้าเราจะทำให้จิตขอเราต่อสายจิตของเราเืินเดไปก็าสียงอะไรยือยู่แล้วเราได้สุดอยู่แล้วเราได้ทำอะไรเราได้พูดอะไร พระพุทธเจาสอาวสต่ไม่สอนอย่างนี้เอคมีนานเชนนานกว่าข้าเช่นใเริญพันพัแต่ท่านร้างทางขพระเจ้านท่าเลยคิดไปในอดีตที่ท่านมาดิตของท่านจึงสายน่เรื่อยเหวี่ยงเด่นชัดพอสาย้งจัดขับไว้เรื่อง เมื่อยานใส่ๆทางคือจะปลอวใจจิตใจนะฮะสงบหายใจเป็นจิตของานสงบจิตทุกท่านสงบมือกำลังสายแน้วต่จมาสาสันกิเลสปัญหาจนเป็นอริยบุคคลในโลกหนึ่งหนึ่งผ่านทางทำที่ทำมาดิฟิตไปในอดีตเดี๋ยวคิดไปในอนวคตสงบอยู่ในปัจบ เนี่ยทยถูกพิจารณวถูกหายจิตหายใจเข้าเปถูกจิตลม่เป็นสระบ้าอย่าเป็นสระบ้ากับพิจารณาอะไรใครใจแข็งใสเน้นใจกับน้ำที่สงบแล้วก็สายแล้าเมาใบหน้าของไราดูเม่าดูอะไรบ้างถือเป็นกระจกอะไรบ้าแน้ำที่สงบถือใสแต่ไม้เป็นเพื่อนดูไม่เป็นม่าดูหน้าตาเ ขณะชาติเกิดให้ปัญญาของโลกหัวใจถกอวรามีปัญญาทันสิ่และสิ่้มีปัญญาจึงจะน่งสายหนาถือจะขับไล่ควารเสียเสียใาใจโลกเปนเลยออกไปแต่โลดจากสิ่จใจทั้งใจได้แต่ปัญญาของสาสตเนี่เป็นปัญญาถจะขับไล่ยหลปหาออกจากใจได้พยายา จือในที่ใจมาควหลมหลทุกคนเกิดมาในโลกอันหรือามหุหลงเนี่ยท่าเหรอเลินเราเมาร์เมลเราใส่หมอีใจเสียใจไปต่างๆนานาฝึกเรามาฝกปฏิบัติธรรมะหยใจสดหน้าที่ใจมาความหลุหรือต่างๆนั้นให้ใจ ขะชัดเจนแล้วจิแล้วจะจจะวางจะละจะถองความยึดถือต่างๆเสร็จรูดเสียงกินลดต่างๆที่เราเคยจิดเฮ้ยาิตอยาเป็นของของเราภาวนาทุเจนะทั้งธรรมะทุเจนะในสัดจะทำถือทุเจจ่างสอนสิ่งเหล่านั้นนั้นอยู่ภายในหอกตัวน่นเความหมายอะไร เรารับเราชอบมันมันจะมีเลี้ยไหลใต่สังกับเราแราตื่นอยูมันมันีอยู่อย่างนั้นนั่นเลยเกดอะไรเราตืนอยู่เขา v o k อยาภายในเลี่ยตาจทั้งเราจะทะเดยกันนั่นเลยมีอะไรอมันงามันเป็นของของเราผมขนและตันหลเลื่อนกระดูกตัผมุดม เราจะรักษาถนอมเอาไว้ขนาดไหนเจ็บใจสิจะเยียวยาเจ็บใจสิจะหาเงินมาอยู่เรยาให้สุขให้สบายอยากอยู่ให้มันมีหลานนิดนึงทจแเปลียนแกขาดแขนนั้นไม่กัดแกเปลี่ยนไปอยู่ทุกยางทุกเวลานั่นลอยู่ในบังคับบัญาของเรารารักมันจะมัเหนื่อยรับไปจนที่สุดเราลโกจะเนืรักเขา ชอบขาอยากใช้เงินชอบเราเลงกับเราเนี่ยที่อยู่เค้ามีการแปรเปลี่ยนไปอย่างไรกับแปรเปลี่ยนไปอย่างนี้ทุกคนก็ครู้ใครมีอยู่ในตัเคยเป็นเด็กตลอดเคยเป็นห่เป็นสาวตลอดไหมไม่ว่อะไรเคยชอบเปยินดีกับเนเงิเสีิมหล่นั้นเเวาอะไรทั้งหมด ตาเชสว่าองสดูอะไรดู่ตงเสื้อนในสมัยเป็นเด็กยัน้าดูอะไรต่อขนาเห็นขนาดัเจนอยกเกมาอยากให้มันแขวนเส้นควายอย่างนั้ก็เป็นเขาเลยว่าผมตุ๊กเชยเดินดันไปเหนกันนั่นก็รอกกบขาขึ้นตาอยาให้มาเหาหนยกเชเป็น่งด้วยก็ อย่างใจยานใจม่อรกขี่หายขาดหายขังเราเป็นใจอยู่หญ่แล้วจิตใจเขาห่วงเราท่านอพระเจ้ามเรียกทเหัวใจไหลใส่ขังทำไมันเป็นหญ่างั้นทันเป็นหญ่งเห็นติ่สเบียดแล้วยืน่าอยากให้มันมีมันดีเสียมันดีมันดีเเป็เวลาในวิถีแก่ไขพระก่อนเข้าใจนี้เราเป็นสัตย์จะทำเป็นอนิจจั คือแพดเปลี่ยนใจตายเนี่ยู้มันทุกข์หเหนื่อยกินเหลวมันก็เกิดทุกข์ขึ้นใจจิตของเราเนี่ยเหลวเนี่ยผู้ให้มันเป็นอย่างไรก็คอยจังใหญ่แล้วเกิดขึ้นมาแดบไหลแล้วเปิมไปแดดยันอย่างไรจะฝากตาเหนื่อยให้มันนี่กรีอันรดที่จะน่าให้ทุกข์ใจจิตใจครับเราท่านแต่ด้วการทุ้ที่จะยาธรรมะเดี๋ยวเก็บประโ จึงมีทางที่จะแก้ไขขับไลวความเฉื่อใ ส, สายสั้นความวึาม่นถือม่นใชิให้ลุดออกไปตกออกไปย่ามทุกทังใจทุกข้างใจนั้นแล่วก็เป็นธรรม้าดาวอย่าหย่านทุกเรื่องท่องขันถึงเราท่านเหลือเป็ น, น, น อ, อย่างทุกขั ง, งใจทุกขังใจเพราะเราไม่ทำในจิตในใจทห้งเสี่ยเห่ยรู้ไม่เข้าใจไม่จัดจัดทำตามเป็นจริงให้ อนัตตาอะไรที่เราบอกเงื่อนแฉนได้ใลกายของเรามันในนิ้วมันบอกไได้แฉมัไมได้หาเป็นขอให้เราทำไนยังทับไม่ได้มันเป็นอนัตตาก่อนของกายอนี้มันจะมาแต่ไหนแต่ไรแต่ใจของเรามันหนูในเรื่องหลนั้นมันเป็นเกิดทุกข์เกิดทุกอยู่เรื่อยๆ เนี่ยมีสมาธิที่จะละถากขันตานเป็นจิ้ง้อมันใ ส, ใส่ใจชาตเกแล้วไม่จะต่อใช่มั น, มนอยอ่าข้องมันเรื่องถากขันเป็นอย่างไรรู้เข้าใจตาเรื่องของถากขันจะคืไปรู้ถากขันเป็นไปตามาเมรื่องของถากขันหรือไม่มีอตั้ความแปเปลี่ยนหรไม่มทกขันความเป็นทุกข์หรืยไม่เป็นอนัตาหรไม่ จะทราบจะไ่ใจมีสื่อการปรเภทปฏิบัติในทางศาสนาคือประเภทปฏิบัติอย่า้จะไ่ใจเดือดเจองตัวเองเดือแคบดาักไข็เป็นอนุใทกขัอนัตตาาหักไข็งขอตัวถือถึงถยแล้วเดือดถัดแข็ของคนอื่นศัตรูในอดีตที่ผ่านมาอลัคบใดเลยถก่อตา มันเหลืองจนหมดตาขาดแห็งทตัวเป็นของขี้ตะตกลนของสกประจะมีอะไรที่จะกตั้งหนักหนัินดีหือว่าหรอว่าแหลงหรือเอนหลักกระดุกเป็นตัวเดือดของสกปรกเท่าั้นแค่สิ่งที่เราทานเาไปเท่าั้นกว่าของสกะตกถูกเสียหายที่เราก็ไ้องักใสเส้อออกไป ใส่ส <üh, PTSD> hmm. ินอนสินใ่ตอกตัดกัดทะลายไมอย่างแล้วก็เล่ไม่เลยได้พาเป็นข้กปกอาหา่เาทาาไปทุกวันนี้เป็นอกปกใ่ขอะาเกบเอาไว้งวนถึงจะเกิิขึ้นหลอกไมได้อยู่าได่เกขหวอะไรเป็นข้อเหนียวเหนียวข้อเค้ยวัดขันข้า ทุกท่านก็เป็นอย่างนี้พอเราได้เนาา้อจัดพอได้เข่หนงของปกิเก ล, ถ, ลถ้าเราคิดใจเราอย่างี้ความตระหนัยินดีไม่เหนื่อยรู้ัส่ ง, สงแล้วก็คอยมีทางที่จะเสี่อมลงไปหายลงไปเพราะคอยใจตามเป็นจริงเท่าไหร่ น, นีคือปัญญาที่จะถัดไล่ ราคาตัแห่ความถนัดดีดีในจิตในใจแต่เมื่อสียอย่างนั้นงานใหญ่ใจูยอกว่าแต่พิจาราเห็นว่าเป็นของอสุธาอสุภัยเป็นของหนุหมของญกลุ่เของหน่มรังยยืนไขใจคัดเจนในจิตในันจะเรียกยึดเดถือตัวของเราอย่างไรคนอื่นสัตว์อื่นไม่ก็อย่งนี้หรือทาบัทที่พิจารณาต้งราใจทั้าตัว เวลาธาตุข็ท oh so so ี่มีอยู่ในตัวที่เราหเหยถนอนี้รักษาถนนี้แล้วก็ยังเป็นเขาเหล็เห็นยังเป็นเขาขปีกูนอยางบงคั้บางชาเลยบ้าเวลาเลยเจ็บจะไข้เมื่อก่อเจ็บก็ไข้เวลาเลยแก่เมื่อก็แป่ตายตายอย่น้ใหมเชบบธาตุแข็งเขาของพายละยังก่ท่าเลาะก้ันเราจะไปยึดหนึ่งเท่าหนึ่ง ไม่ได้เราจากในเรื่อง้กจากเราไปไม่มีใครที่จะมี้มสิกอภิสิทธิ์พิเศษที่จะยึดเอาได้ถืออาได้เราไม่อย่างไรเราวปแต่อยไหงนี้เมื่อเรามาเสมาตัวต่านม่มีอะไรผิดัวมาเรวผ่าตัวนี้เสาคล้อเงินเาตัวนี้เวเราตายไปแต่อย่างนั้นเขาเสธธรรอะไรอาไ้สิ่งใดเสียตัถือต่อช้า ถที <ourd. S 2> <ừ> ่เผาเห็แล้วก็เอาตปเลยได้เอาเรียนใส่ปากให้เวลาเผาไฟเรียนั้นก็ยังอยู่ในกองกองกเผเนี่ยมันเอาอะไรสุดตัวไปลทางสาสมทาทางมทสอนเหรใสใจตามเป็นจริงอย่าดีสอนไคนลืมเนเเพลิน่านหนูที่วิทยล เทำแม่ใจมนเหงามัเลืนตัวเหนือยหอะไรต่อยากได้อะไรก็จะเอาไปของเท่าไรเหลือใยิ่งหูยิ่งหูยิ่งเย็ยิ่ถือเท่าไรจิตใจก็เกิดทุกข์เท่ถ้าไม่หเหูลาถองกได้เท่าไรจิตใจมันเบามันสบายเย็บอย่างเลวที่เราคมออกไปใครจเหยียบเย่างเท่าไอย่างไรถ้าเราไม่หูหูเราจะเกิดทุกข์เกิดทุกวกัม เป็นสิ่งที่เราหูเหวี่ยงคนจะแต่ต่อไม่ได้จะเกิดความทุข์ขึ้นในจิตลยใจความทุกข์ในใจคือความยึดถือความหูหวยเราเหว่อะไรหูเหว่ยงแล้วได้อะไรจากกาหูเหวียงยึดถือให้ตัวนอกากทุกข์้อกจากีเรือที่เจ้าเนีเข้าใจขนาดชัดเจนในตัวคนตัวเองแล้วมันจะไล่จะถอนเรื่องาวมันไป แต่นั่นกานนรภาวนการทำลากินเลสเป็นหน้าที่ของทุกคนในเชล่าเป็นหน้าที่ของพระของเลนแถนถ้าเรามีกิเลสปัญหาแล้วเนี่ยท้าเ ร, า ร, นานารจิตใจก็เกิดทุ ก, ก, กเกิดทวกนถ้าเรลไปได้จิตใจก่เบาตสบายการนภาวนาไลกิเลสเป็นหน้าที่ของทุกคนทีน่ต้องการความสุขความสบายภายในใจ กิเลสปัญหาไหนเนี่ยพอไรก็ยึดว่าล้นก็ย่นไส้เถอะจึงควรสละมันออกไปด้วยอดด้วยพรรมที่ใจนะใจเที่ววถือเลยตัวของตัวเถอะเข้าใจขนาดชัดเจนทุกสี่งทุกอย่างตามเป็นจริงขโยกอันนี้ก็มีอะไรที่จะเลงไหล มันมีอะไรที่จะติดข้ออีกเพราะจิตใจเศร้าเรื่องของตัวถวดถืออดีตที่ผ่านมาเป็นอย่างไรอะไรคดยังหนึคงเป็นอย่างไรเข้าใปเน้นปัจจุบันเขาะิดปัจจุบันมันรู้สึกอย่างไรเน้นจริงอย่างไรในอริยัอย่างพระเจ้าตรัสสอนอดีตอะไรคดไม่กลงหมดตำแห่ หนีเหียดว่ะเราไปธูมีแจ้งหน่องโลจะไปชมไปดูจะเห็นนเป็นใหญ่น้วงจะเพ็นนี้เป็นใหญ่นี่พระชันเป็นใหญ่แล้พระอังคารเป็นใหญ่นี้เถอะไปที่ไหนแถ่เนี่ยชาระใจเที่ยเตรียมหัวใจเสร็จแล้วมันจะเหนอยู่ดีต้จะมีวิีที่จะหนยสงสัยนไปดีที่ไหนกอดามถ้าเราสลระจิตใจทังเรา เข้าถึงอัดทันจริใจแล้วมันร้ทั่วเข้าใจถึงโลกกวิย่ต้องหลุดเายังไงต้อหลุดมีอะไรที่จะเซลไฟหยุดอร า, าค บ, คบทุกชาติายจะเป็นอย่างไรไม่กระโดดเซลไฟความที่สุสเสดเป็นอย่างไรเราทราบอยู่แล้วลกทานอยู่ที่ไหนแล้วใจทราบคือการดับที่น ออกจากจิตจากใจหมดเปล่าหมดเลยแล้วแล้วถ้าอยากจะไปไหมอยากจะไปเทวิภานั่นก็เปนเรื่องยากเพราะมันเห็นมันจะแคบเป็นอยู่ความบริสุทธิ์นเ่นแหลเป็นนิพพานในก็อยู่เดนผ่านเส้นอากาศที่ไหนแต่ใจในบริสุทธิ์จะไปที่ไหนสิเป็นหมดเปล่าเทียมไปที่ไหนก็ไปเถอะนทวิภายเห็นท่างหากเราเ่อปฏิบัต ทำลายี่เดอด altogether ไม่เห็นมาจากชาตเปลียในจิตในใจทวามเจ็บใอยากไปจะไปที่ไหนถ้าคิดไม่้จะไปที่ไหนพาเห็นแล้วจะไปหาที่ไหนจิตใจองคุณคือเห็นไม่เตอหาอะไรทุกยัมานอยการประเภทปติดัตอริสงขัการแบบปฏิัต แต่างเช่นเราโยมเลรอเนเลยเป็นอย่างนั้นกูอุตส่าห์พยายามทายกันไปสึกกันไปปฏิบัตกาไปเราปฏิบัติในยุดในถอยเดินไม่ยุดม่ถอยมันก็มีวันถึงได้หยุดหน้าใทางที่เราต่อใจแต่เราไม่เดินหยัดจะถึงนล้มันกาะเป็นไปไม่ได้เพรามันผิดแต่รเหตุผลไม่เกิดขึ้น อยู่แล้วทำอยู่ทุกวันทุกเวลาสัญญาอยู่เรื่อยๆจิตใจที่เป็นภัยอันตรายอย่างพวกอาจทําเกิดขึ้นในเวลาใดต่อเฉื่อยเลยดับไปอื่างพเดชธรรมเดชสติปัญญาเข้าตัวอย่างพวกใจนั้นมัน ไ, <c oughs> ไปจากใจลาใจแล้วมันไปจากใจผ่าใจนี่คิดเยอะกว่านลย ดูเก่อนมนไปทําะไรได้มันไปพูดอะไได้ใจเป็นเป็นเหมือนซ้ำันเสมอมโนจิตภัยสมามธามิโธามนโมนเสถาในในายคือทาทั้งหลายมีใจถึก่อนใจคิดเสียก่อนจึงไปพูดจึงไปทำใจเป็นหัวแรใจประเศษสุดมีอะไรที่จะประเศษเท่ากับใจ จน ใ, นจใ จ, ใ จ, เ, จเป็นเรื่องสำคัญคนในโลกในสำคัญอยู่ที่ใจกายนั้นในสำคัญเท่าไรถ้าใ จ, ใจใเื่อยอกกใจเสียเสอย่าง่ไหยหลตจเเสียจนงานาขนาดไหนก็ไม่ใช่ต้อการถ้าใจมันชั่วยเสียน่ยเน้อใจเสือ่าเป็นทำหัวใจจ น, นยัเขาไหม ให้รบเลี่ยไใส่แหนะตาดีเสียงล้ยล่อเลาเขย่าใจเป็นยักเจิมนันไปเจ้่อยใจจังทันเวลาคอยใจจังกาหัดตาหายเรานื้อเชอใจอะไรไม่ได้คนแบบนั้นก็ไม่มีใครยอมเพ่งชอบกันหูดดีเจ้เรา เน้นกับทำพูดั er AH en, ้งตัวนี่คือตากเป็นทำเหัวใจเป็นยักษ์มันี้ในโลกอันนี้มันเป็นผุ่เป็นพาสิตเอาไว้ให้เหีเราที่รู้ทุจริตกันโดยเฉพาะเหตุดีแล้วจิตใจมันจะยืดจะยืดเศษเนืาตายืเหี้เรหล่าหลแล้วจิตใจมันจะเต็นไปตายเิ่ของเนตายนี้ มันเป็นอย่างนี้มันรดายมันเบได้เสียมันลายหอกพอมองเห็นได้เสียโค้งเรรรู้จักลายมันบอกเสเหลืองเสียได้แล้วก็ู้จัลายมนบอกแต่มันล็ดรายมัเป็นอย่างน้ยมันอยู่เ็ดอยู่ในจิตในใทอย่อยู่เดกนที่เจ้เดอัปเดตทางจิตใจจะทราบแบบคนไหนเป็นอย่างไรกันแน่ายใจแดีเท่้ คืออย่างี้เองใช่ไหมหล่เหลายโซงขอตามแต่ใจรันดีมีอาบมีทำสุขสุขจริตเที่ยเที่ก็เป็นที่มียนเช่นชอบคนที่อยู่ใกล้ชิดกับเขาจะมีความสุขความสบายเพราเขาดีเขามีอานมีทนในตัวหรือเห่างของคนมันดีไา้ เย่าห็นดูเสืยบห้ายิ่งของใครเนาะอาดูที่จิดที่ใจการฝึกจิตเอวนใจจึงเป็นเดความคันเป็นเด่นจ้าแต่เรืองอนนี้สูงมาใครฝุกใครปฏิบัติบ้างคนนั้นเดินคนนั้นโกคนนั to. To ้นสบายไม่เป <cheer S 1> <tt> ็นภัยอันตรายแกตัวเองและคนอื่นเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนฝึกศึกษาเพื่อปฏิบัติแตอยัาในหนึ คุณไปจากภพชาติอย่างไ้หน so, ักที่จะเกิดยิ้มย่นคุณในจิตในใจเแี่ยจะดังทำตาจะรีบจะทำมันงเพิ่มเป็นงานความดีเดือดใจเพราะคุณงานความดีสิ่งสาสมเอาไว้จะเป็นเพื่อนสองของเราคนอุโมงคุตามเรานอกจากกรรมคือการกระทําของตัวหนุ้มจะติดตามเราไป เฉลี่ยเราให้สมความเหวงกมดีจะเฉียให้แต่ใค่สุดดีหนเฉลี่สต่กาเสจรจะเสพมีความสุขความสบายก็ต้องอาศัยตรมดีเฉล่ยขนาดนีให้ไปเสพรชื่อสยเนีาสช่ช่เสียเฉยน้ ถือในต่างเางแผนไหนไม่กบังคับหัวใจเหตุนั้นคนเราจเกิดมายิ่งผิดแกแตกต่างกัใครเล่าจิดในตาแผนในร่างกายเสียเกดว่าไงใครเล่าที่ในตปแนถนัดเข้าของใครเล่าในตาแผนสติปัญญาที่ดีสิวิเศษคนทั้งคนตาแผน ต่เป็นคนเจนคน เ, นคน เ, นเลวจะปากแผลแต่ถ้ายากเห็นได้ไม่นจึงเป็นไปส่างๆเลยนะบางคนก็อดอยากอยากจน้าจินยนจะดองเปลี่ยนคอตากเท้าข้าตัวบางคนก็ลำเลวจนกินไม่ลหากโกรกเห็นจุลินทรีย์เนี้ยช่วยอะไรตัวเป็นเหี้อเหี้ยเหี้ยไปได้ทำไมผิดกันมอย่างนี้เช่นแับ ไปแลวอย่หลงใจแล้วางคนก็เหวี่ยงแต่บาคนก็ขุีเดีวเคนทำไมนเป็นอย่างน้เขาต่อยกันไหมเราส้างการ่เหียใดมันเป็นไปได้ก็เพราะกานมีดาวนาองเขาต่อยกันไหอเเป็นอย่างนี้เียเสียตยต่างนานาไมลต่สติปัญญาเลยหล่ายหล ทุ ừ, ja, ่เป็นผ่าแหนกองเขาเขาตอไปลูกเมื่อผู้หญผู้ตอไปลูกนี่เมื่อติดตั้งยาเ่ลังายสินเสียสิ้นวันยายากล่าแหลกท่านแต่นเป็นใจเหน่อยเท่ากับความข้องสัตว์อยวารับทราอย่างนี้พบขาดมื่อเราดยมยต่อไปเราจะสร้างกันดีเอาไว้กันดี่แหละจะสลับสนุน หากไปเกิดในสถานที่ดีถึงจะมีเหหตแห่งสมัติมาแต่ถ้าไปเกิดใสถานที่ดีก่าสายแม่ที่จะมีสมบัตสายแม่ที่จะมีทางหการึกสายสวแหาสมบัติเด็กสบายอกาะสัหเอนสมบัติเหตุดาวนดาจะมีอยู่ก่อน เขาคเม่อเขาคนอื่นเมื่เขาอยู่เพื่อเขาคือเายเหตยนั้นไแต่การเชื่ออารมณ์ใใส่ตกไปเลยทางเสือทางเสียแห่ะจะเิดจะไปเิดเลยจะยืนพิจาราอดยาแค่เพิ่มจะไ้ศึกษาอะไรเรียนจะไ้ศึกษาอะไรได้เนี่ยแค่เนี้จะมีจะเสียให้ึกษาอะไรเรียนเมใจ การเออดาบใหนจะเอดาบได้ไหมเลยีมอะไรเลยจะแต่เมล็ดบอกให้จะหยุดที่บ่าเขาตัวเพราะถ้าเนี่ยจะเออดาบใหญนเนี่ะมันเป็นใจว่าถ้าเขาไปด่าแขนเลยหรือการโฉ่เขงเขาถัสังเล้ว้าถัดมเ็นเหตุอะไรหรือเขตันถ้าด่าแขนทำแสงหมีการไปเขาเขาตัวหรือการเป็นผู้เหตุผลรการเป็นด่านเกิด มีกรรมเป็นผูดติดตามมันเป็นไปได้ถ้าหากเราที่เจริานะเคยทำแล้วิฝายอยู่สมันกฉเน้อการเสียเสี้ยวต่างๆเราปละเลือนไปพอเหตุใดก็เราทำกาดีพูดก็ดีคิดก็ดีลนทางเสียทางเสียนั้นโดยเป็นกรรมคือใจว่ากรรนวาจาอะไรกี่รรมไม่โทากันหนึ่งเลา ทำลราคิแเราคิดเรื่อเช่วกอย่างนี้การชือกจะผักดันเวลาไปเกิดเรื่องฐานตัวชือกเรต้องการนี้าเราต้องการก็เป็นเสี้ยนไปูำไปคิดมันจะมีสติมีปัญญาสานใจหักแห่งใจเอาไว้มันไปแตะแต่งาชือกเอาเสียสั่งเสร็จเป็นงานทาดีเรืยไปอยาละลืม เลืดเหนื่อยไปจำดีเสียงนั้นเราเด็ดทาเอาไว้ใจมันก็เย็นใ้มันก็สบาซถึงจะมีพบฉากต่อไปเราก็หน่ผิดอย่างในที่ว่าในที่ไว้จะต้องเพิดต่เป็นมนุษย์ตามเป็นเื่อนเป็นเถื่อนหที่ด่าตามจะดูในใจทั้งตัวจไดูไ้ดูที่อื่นเพราะารดีถึงตัวสะสมเอาไว้มันจะได้ให้ออก จะไปเป็นจะเป็นในทางกปนเศียร์เส็นศีลกายยกตัวลอยยกไปดในใเที่เอะอีกใจถึงเฉียเสียวันเดรแล้วแผดเผาเมืนอพอดูได้พบชาดไม่เลยออกจากที่อื่ออกจากใจความหมดที่เหนื่อยปัญหาก็ทำลายโยกันมันอยู่ใยจิตใจขอเราเหนยอเรากำงามันหมดแล้วกเบลผุดพันพญานาคใจสั่งเราไปหน่นไปเผาจนมันสึกแล้ว หมดยางหมดเชื่อเอจะให้เกิดแล้วจะเป็น้าเต็นที่ไหนก็ตยเถอะไม่ดเกิดขึ้นอีกนอกกข้าอย่างเอความศึกหวานเลยเทนั้นวิธีไหนจะตายคาเสร่จมนจะอันเนื้อถลายไหลแล้วก็เกิดขึ้นเลยได้เพราะ้าด้ศกแล้วด้วยทานจิตใจที่เราได้ทเยนสญญาสางแอบเผาโดยตปะทำ จะติปัญญาศรัทธาความเชียนจริงไปแล้วมันหมดเร็วจะและจะบรรเทมไม่มีอะไรอีก